มีเวลาหยุดก็ดีหยุดก็คนที่จะมาหยุดใจเราเพราะใจเรามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยยอมหยุดใจเรามันทำงานอยู่ตลอดเวลาเนะทำงานไปในทางที่ไม่ถูกทำงานไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าในความรู้สึกของเราว่ามันเป็นการทาที่ดีมันก็ยังเป็นการกระทำอยู่มันต้องหยุดการกระทำต่างๆหยุดการกระทำทางกายทางวาจาทางใจอย่างน้อยก็ให้มันหยุดเป็นพักๆไป เพราะถ้าเวลามันหยุดแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมากแล้วมันจะทำให้เราเห็นว่าการกระทำอะไรต่างๆของเราที่จะหาความสุขให้กับเรานั้นมันไม่ได้เป็นการหาความสุขเลยมันเป็นการหาความทุกข์เสมากกว่าแล้วก็เป็นการหาความสุขที่ต้องหาอยู่เรื่อยๆ หาแล้วก็ต้องหามาเพิ่มหาแล้วได้วันนี้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องหามาเพิ่มใหม่วิธีที่จะหาความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงก็คือการหยุดใจของเราไม่ให้หาอะไรต่างๆพอเวลาหยุดแล้วนี่ใจของเรากลับจะมีความสุข มากกว่าการที่เราได้ไปหาอะไรมาหรือไปทำอะไรมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้กันเพราะเราอยู่ภายใต้ความครอบงมของความหลงหรือความไม่รู้ความจริงความหลงทาให้เราคิดว่า เราต้องทํานั่นทนํานี่ต้องมีนั่นมีนี่แล้วเราจะมีความสุขกันแต่ต่อให้เราทํามากน้อยเพียงไรได้อะไรมามากน้อยเพียงไรความสุขที่เราได้มามันก็เป็นความสุขชั่วคราวทําแล้วได้มาแล้วก็อยากจะทําอีกได้อะไรมาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก มันเป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่ต้องขอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่ได้เติมหรือไม่สามารถที่จะเติมได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิธีการหาความสุขของพวกเราที่มีความหลงครอบงำจิตใจ มีวิชาความไม่รู้ความจริงของความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรนความสุขที่เราไม่ต้องเติมไม่ต้องทำอะไรคือการมาหยุดใจของเรา หยุใจของเราไม่ให้ไปหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับใจเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ทําให้ใจวุ่นวายไม่ได้เป็นความสุขที่ทําให้ใจสงบมีความสุขอย่างแท้จริง mm hmm. การที่เราจะมีความสุขอย่างแท้จริงเราต้องรู้จักหยุดใจของเรา กาของเราก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้รู้นี้หยุดไม่ได้ผู้รู้เป็นเพียงแต่รู้เฉยๆผู้รู้นี้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาเลยตัวที่ต้องหยุดก็คือผู้คิดเพราะเวลาคิดแล้วจะทำให้เราอยากจะไปทำอะไรต่างๆอยากจะหาอะไรต่างๆอยากจะได้อะไรต่างๆ ได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปถ้าเสียไปก็เสียใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจแต่ถ้าหยุดความคิดได้ความอยากต่างๆอยากได้เสียงต่างๆอยากทำอะไรต่างๆก็จะหยุดไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อน จะไม่เสียใจว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรหรจะเสียอะไรหรือไม่เสียอะไรใจให้ยุดเฉยๆใจปล่อยวางใจอยู่ในความสงบใจจะสงบก็ต้องหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดไม่ได้ใจจะหาความสงบไม่ได้จะหาความสุขที่แบบไม่ต้องทําอะไรไม่ได้ ต้องเป็นความสุขแบบต้องทําอะไรต้องทําทางกายทางวาจาและทางใจเพื่อให้ได้ความสุขมาแล้วร่างกายที่เราใช้มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆเราเดียวมันก็ไม่สามารถทําตามที่เราอยากทําได้ ความสุขที่เราเคยได้รับจากการใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆมันก็จะหายไปมันจะไม่มาเราก็จะอยู่แบบเงีดเงียบลำคาญใจว้าเวยเศร้าส้อยง่อยเหงาแต่ถ้าเราหยุดความอยากหยุดความคิดของเราได้ ความรู้สึกเหงาว้าเวเศร้าส้อยหงอยเหงาเนี่จะไม่มีความหดหดความลำคานใจจะไม่มีถ้าใจหยุดแล้วมันจะสบายมีความสุขพวกเราวันหยุดแทนที่เราจะมาหยุดใจกันเราก็กลับเอาใจไปทำงานต่อไปหาเสียงต่างๆหารูปเสียงกล็ดล ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเติมความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันใจก็ทํางานต่อเพราะได้อะไรมาแล้วมันก็หมดไปแล้วก็อยากจะได้ใหม่ขึ้นมาอีกเหมือนเติมน้ำในถังที่มันมีรอยรั่วเติมไปให้มันเต็มเดี๋ยวสักระยะหนึ่ง น้ำมันก็พร่องบมไปพมีรอยรั่วอยู่ก็ต้องหามาใหม่ก็มาเต่งน้ำเต่งเท่าไหร่ก็เต่มไม่เต็มเต็มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็พร่องวิธีที่จะเต่มให้มันเต็มก็ต้องอุดรอยรั่วของถังถ้าอุดรอยรั่วแล้วเต็มน้ำขวนเดียวให้มันเต็มมันก็มันก็จะไม่มีวันพ่อง มันก็จะมีน้ำเต็มถังอยู่ตลอดเวลาความสุขที่พวกเราทำกันนี้เป็นความสุขที่เอาน้ำไปเติมในถังที่มีรอยรั่วความสุขที่พระเจ้าทรงกระทาทรงค้นพบก็คือการอุดรอยรั่วของถังก่อนอุดรอยรั่วแล้วพอเติมน้า ทีเดียมันก็เต็มถังแล้วมันก็ไม่มีร่องไม่มีหมดรอยรั่าที่ทําให้ใจเรารู้สึกว่าขาดนู่นขาดนี่ไม่พออยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ก็คือความอยากสามประการเนี่ยการมักตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่มันจะดูดเอาน้าหรือดูดเอาความสุขต่ตางๆ ที่เราหามาได้นี้ให้หายไปเราทําให้เราต้องหาความสุขใหม่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเช่นเราช่วงปีใหม่เราหยุดทำงานเราก็ไปเที่ยวกันเราก็มีความสนุกกันมีความสุขกันแล้วพอถึงวันนี้ความสุขเหล่านั้นมันก็หายไปแล้วเราก็รอวันหยุดใหม่ และเราจะได้ไปหาความสุขมาเติมใหม่ทำอย่างนี้มาไม่ใช่แต่เฉพาะปีนี้หรือปีที่แล้วทำมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดเพราะใจเรานี้มันมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายต่างๆที่เราได้มาในแต่ละภพแต่ละชาติใจเราใช้ร่างกายเป็นเครื่อง มือตอบสนองความอยากทั้งสามนี้คือความอยากในรูปเสียงเกล็ดลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วมันก็ไม่หมดตราบใดที่เราไม่หยุดมันตราบใดที่เราทำตามความต้องการของมันตอบสนองความอยากความอยากมันก็จะดูความสุขที่เราได้มาแต่ละครั้งไป แล้วทําให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเช่นคนที่ติดอะไรนี่ก็เพราะถูกความอยากมันดูดความสุขที่ได้คนที่ติดบุหรี่เวลาสูบบุหรี่ก็มีความสุขพอสูบไปสักพักหมึ่ความอยากใหม่ก็โผลขึ้นมามันก็ดูดความสุขที่ได้จากมวลที่แล้วไปต้องสูบใหม่ ของทุกอย่างที่เราทำซ้ำๆด้วยความอยากก็เป็นแบบนี้เรากินอะไรเราดื่มอะไรที่เราชอบเราอยากพอเราเดื่มเราได้กินแล้วเราก็มีความสุขกันแล้วเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงก็อยากขึ้นมาใหม่ความสุขที่ได้จากการดื่มการรับประทานเท้าที่แล้วก็หายไปมันเป็นอย่างนี้ตลอดมาน่าจะเป็นอย่างนี้ไปต่อ ไม่มีวันจบสิ้นพอร่างกายของเราตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาทำตามความอยากใหม่ทำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยเราจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดกันมีการเกิดแก่เจ็บตายกันและระหว่างเวลาที่เราเรอจะมารั บ, ร, บรับร่างกายอันใหม่ เราก็อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำไว้ก่อนที่เราทำไว้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยูอ่เวลาเราทําตามความอยากบางทีเราก็ต้องทําด้วยวิธีที่ไม่ถูกก็มีเช่นเวลาอยากได้อะไรอาจจะต้องทุจริตถึงจะได้ลองทผิดศีลทำบาป ข้งฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดก็จะต้องไปรับผลของการกระทำผิดเหล่านี้ช่วงที่ร่างกายตายไปแล้วช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ถูกพลังของบาปนี้ดึงไปให้ไปใช้กรรมในอบายจนกว่าบาปที่เราทำนี้มันหมดกำลัง ก็จะทำให้เรามาได้รับร่างกายอันใหม่ต่อไปหรือถ้าเราเป็นคนใจดีมีความเมตตาเราช่วยเหลือคนทำบุญทำทานเราก็ได้บุญเวลาที่เราตายไปบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ก่อน พาให้เราไปเสพความสุขจากรูปทิพย์เสียงทิพย์ิ่งทิพต่างๆจนกว่าบุญนั้นจะหมดกำลังเราก็จะมาได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายของมนุษย์แล้วเราก็จะมาทำตามความอยากอันใหม่ต่อนี่คือเส้นทางของการดำเนิน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 ที่ได้มีการจารึกไว้ในพระตตยปิฎกถ้าสามารถศึกษาแล้วปฏิบัติตามที่ศึกษาได้ก็จะสามารถยุติวัตฏวงจรแห่งการหาความสุขต่างๆตามความอยากต่าง ๆ, าง ๆ, าง ๆ, ๆแล้วมาหาความสุขที่จะทำให้เราหยุดวงจรของการหาความสุขด้วยความอยาก ก็เกิดการหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากวิธีที่จะหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากก็ต้องใช้เครื่องมือที่พระพุทเจ้าได้ส่งคนพบเป็นเครื่องมือที่เราจะทวนกระแสะของความอยากย้อนกระแสะตัดความอยากเช่นเวลาเรามีเงินทองเหลือกินเหล้วใช้ เราก็อยากซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่างๆหลือไปเที่ยวแสวหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายถ้าเราปล่อยใช้เงินทองแบบนี้มันก็จะพาให้เราไปสู่การหาความสุขแบบนี้การใช้เงินทองแบบนี้แล้วก็พาให้เราไปต่อพบต่อชาติถ้าเราอยากจะตัด กาเดินในวงจรของการเรียนว่าตายเกิดเราก็ต้องไม่ใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟืยแบบไม่มีเหตุไมีผลใช้แต่เฉพาะที่จาเป็นเช่นปัจจัย4ที่เราต้องมีไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายเพราะเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะมาปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากต่างๆ ร่างการนี้เป็นได้ทั้งเครื่องมือของความอยากและเป็นเครื่องมือของการหยุดความอยากเช่นถ้าเราจะเอาเงินไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปอยู่วัดดีกว่าไปอยู่วัดไปทำบุญแล้วก็ไปหยุดความอยากกันด้วยการนั่งสมาธิด้วยการรักษาศีล อันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ว, ว่าเป็นวิธีที่เราจะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราได้แทนที่จะเอาเงินไปซื้อของที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อแล้วก็เอาไปทำบุญแทนเอาไปสองเคราะผู้ที่เขาด้อยกว่าผู้ที่เขาขาดแคลน เช่นตอนนี้พักได้มีน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยสแทนที่เราจะไปซื้อของฟุ้มเฟือยเราก็เอางินนี้ไปซื้อของไปช่วยเหลือเพื่อม น, นุษย์ด้วยกันนี่ก็เป็นการทำบุญการทำทานเราก็จะตัดช่องทางของการใช้เงินงเพื่อทันตามความอยา ทุกครั้งที่เราอยากแลวเรามีเงินจะใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทำบุญแทนแล้วความอยากที่จะใช้เงินแบบนี้เพื่อจะหาความสุขให้กับเรามันก็จะถูกระงับไปแล้วต่อไปเราจะไม่รู้สึกอยากจะไปเที่ยวไหยไม่รู้สึกอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมันก็จะทำให้เราไม่ต้อง ไปเสียเวลากับการหาเงินทองที่เราไปทำงานกันนี้ส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อตอบสนองความอยากต่างๆส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายเงินเดือนที่เราได้มาส่วนหนึ่งก็เอามาจ่ายสำหรับปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคที่อาสัยส่วนที่เหลือเราก็มักจะไปซื้อของที่ไม่จำเป็นตามเซอรกัน ไปเที่ยวกันเนี่ยส่วนนี้เราตัดได้ถ้าเราตัดส่วนที่ไม่จําเป็นได้เราก็ไม่ต้องหาเหงินมากเท่าที่จําเป็นมันก็จะทำให้เรามีเวลาที่เราจะมาสร้างเครื่องมือมาหยุดความอยากก็นอกจากการใช้เงินทำบุญทำทางนี้ก็หยุดความอยากได้บางส่วน ความอยากที่อยากจะใช้เงินทองก็จะหมดไปแล้วก็จะทำให้มีเวลาที่เราจะมาหยุดความอยากอย่างอื่นที่เกิดจากความคิดของเราพอเราคิดแล้วเราก็จะอยากทำนู่นทำนี่อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่เราก็ต้องมาอยู่ วัดรักษาศีลหรืออยู่ที่บ้านก็ได้รักษาศีลแปดก็เพื่อหยุดความอยากที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่ที่ไม่ได้ทำให้ความอยากหมดไปแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ทําให้มีความอยากต่อเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆคนที่ถือศีลแปดนี่ก็จะหยุดการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนถ้าเรา รวมหลับนอนกับคู่ครองเราก็จะอยากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาเราไม่ได้ทำเราก็จะรู้สึกหลบหลีกเศร้าสร้อยน้อยเหงาว้าว่เวลาเราได้อยู่กับคู่ครองของเราได้ทำกิจกรรมกับคู่ครองเราก็มีความสุขแต่เป็นความสุขที่ที่จะหมดไปแล้วก็ต้องทำใหม่ทำเพิ่มมาใหม่ไปเรื่อยๆ แล้วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันที่จะต้องทำไม่ได้ร่างกาย ก, ก็แก่หรือมีการพัดพลาดา ก, กันความสุขที่เราเคยได้จากการทำกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามาถือศีลแปดกันมาหัดหยุดการหาความสุขด้วยการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ต่อไปเราก็ อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องทำอะไรได้ไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้เพราะเราจะมีเวลามานั่งสมาธิมาหยุดความคิดมาหยุดความอยากกันมาทำใจให้สงบกันแล้วก็มาสอนใจให้ฉลาดด้วยการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนใจเตือนใจว่าการกระทำความอยากต่างๆวามกะทำตามความอยากสามประการนี้เป็นการ นำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันจบสิ้นคือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกัปความอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรือความอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่ความอยากที่ดีไม่เป็นไรเช่นความอยากทาบุญนี้ทาได้ความอยากรักษาศีลความอยากภาวนาอยากนั่งสมาธิอยากบวชอยากสวดมนต์อะไรทำนองนี้เป็นความอยากที่ดี อันนี้ทําได้แต่ความอยากไปเที่ยวอยากจไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากร่ำอยากรวยมีอำนาจวาสนาหรือความอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากต่างๆเหล่านี้เป็นความอยากที่จะทําให้เราต้องทําอยู่เรื่อย แล้วจะทำให้เราต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้จะทำให้เราตัดความอยากต่างๆให้หมดตัดความอยากทั้งสารประการที่ไม่ดีนี้ให้หมดไปถ้าเราทำบุญทําทานอยู่เรื่อยๆ แทนที่จะเอาเงินไปเทีย่ยวเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆต่อไปเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเพราะเราจะไม่ต้องใช้มากจะไม่ต้องไปซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่ต้องไปเทีย่ยวถ้าไม่มีความอยากว่ามันอยู่บ้านเฉยเฉก็มีความสุขไม่ต้องทาอะไรทํากิจกรรมที่บ้านแทนถึงเวลาก็ต้องหยุดกิจกรรมต่างๆ่าได้หมดต้องนั่ง น, นิ่งเฉยเฉย ต้องทรงงบกายวาจาใจถึงจะได้ความสุขอย่างเต็มที่แต่ตอนตอน้นเราก็ค่อยๆตัดกิจกรรมต่างๆไปก่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเงินทองเรื่อการเอาเงินทองไปทําบุญทําทานเถอะถ้ามีไว้เดี๋ยวมันก็ร้อนมือต้องเอาไปใช้แต่ถ้าเก็บไว้ได้ก็ดีเก็บไว้เผื่อบ้นข้างหน้าเผื่อ เราอยากจะหยุดทา ง, งานเราจะได้เอาเวลาที่ไปทา ง, งานนี้มามาทำปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมาภาวนามานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อมาหยุดความอยากต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรานั่งเฉยๆได้โดยอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เรานั่งเฉยๆไม่ได้ตอนนี้เลย เลยสอนให้ายากิโยมลองพิสูจน์ดูว่านั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงไม่ต้องทําอะไรไนดะ้หรือเป่านั่งสบายๆไม่ต้องไปนั่งขัดสมาห์นั่งเก้าอี้สบายๆมันได้จะสบายเนะ่านั่งเฉยๆดีกว่าไปทํางานใช่ไหยใครๆก็ไม่อยากจะทํางานกันเลยให้นั่งเฉยๆกับทรมาน ก, กว่าการไม่ทํางานหรือการไปทําอะไรต่างๆ นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรถ้านั่งได้นี้เราก็สบายตานที่จะนั่งเฉยได้เราก็ต้องหยุดหยุดความคิดให้ได้หยุดใจให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ความอยากจะลุกไปทำนู่นทำนี่ก็จะหายไปความอยากจะดูนั่นก็หายไปความอยากจะฟังอะไรก็หายไปความอยากจะเลิศอยากจะรับประทานอะไรก็หายไป เราจะทำให้เรานั่งเฉยๆอย่างมีความสุขได้มีความสุขจากการนั่งในเฉยๆก็ดีไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมีอะไรเราก็ไม่ต้องต่อไปก็ไม่ต้องมีร่างกายเพราะใจสามารถมีความสุขได้ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายการที่เรานั่งเฉยๆนี่แสดงว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องการใช้ร่างกายต้องการหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกาย หาความสุข ด, ด้การหยิดความคิดหยุดความอยา ก, กต่างถ้าเราทำได้เราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปร่างกายนี้ตายไปก็เป็นร่างกายสุดท้ายไปไม่ต้องกลับมามีภาร ะ, ะต้องมาเลียงดูร่างกายร่างกายนี้ถ้าบอกเป็นภาร ะ, ะหนักอย่างยิ่งต้องเลียมันเหมือนตุ๊กตาตัวน ต้องล้างอาบน้ำให้มันแต่งตัวให้มันวิพากภาวิจิพมให้มันต้องป้อนข้าวให้มันกินต้องเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายไประบายมีร่างกายมันก็มีภาระแล้วก็ยังมาทำให้เราต้องหนักอกหนักใจมากังวลกับมันเพราะเราลักมันเราหวงมัน ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ทําให้เราเดือดร้อนนี่ลาบากลำบนทุกข์ถ้าเราหยุดใช้ร่างกายได้ก็สบายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปก็แก่ก็นั่งเฉยๆเจ็บก็นอนเฉยๆตายก็นอนเฉยๆเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วสบายจะตาย ใจมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีร่างกายมีแล้อไม่มีก็เท่ากันเพราะความสงบของใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็ น, เ, ปนเครื่องมือการจะทําทใจให้สงบนี้ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือสตินี่ก็เป็นเหมือนเชือกเวลาเราจะจับลิงมัดไว้ให้มันอยู่กับที่ลิงถ้าเราไม่มัดมันไว้มันจะไม่ดิงมันจะลิมนมันจะวิ่งไปวิ่งมาทามํทานู่นทำนี่ แต่ถ้าเรามีเชือกแล้วจับลิงมามัดไว้กับเสาเนี่มันก็จะทำอะไรไม่ได้ใจของเราก็เหมือนกันมันเหมือนลิงมันชอบคิดเห็นลิงมันป่ายปีนฝ่า ย, ยห้อยค่อยหหนตามกิ่งไม้ต่างๆยอยากกินน้ำมันก็ไปกินนูนน้นกินนู้นมันก็ไปกินนั่นต่อความคิดของเราก็เหมือนกันคิดเรื่องนี้แล้ววก็ไปต่อเรื่องนั้นแล้วก็ไปต่อเรื่องนู้น <four. S 1> คิดอยู่นั่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนบัด น, นี้ก็ยังไม่หยุดคิดเราอยากจะหยุดคิดก็ต้องหาเชือกมามัดมันเชือกเชือกที่เราจะมัดมันได้ก็คือสติถ้าเรามีสติเราก็จะสั่งให้มันหยุดคิดได้วิธีที่จะมีสติก็ต้องให้เราเลิกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งเพียงเรื่องเดียวอย่าอย่าแ ล, ะละ้วอย่าคิดหลายเรื่อง เช่นถ้าคิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธไปหรือการพูดโธพุโทโธไปมันก็จะกันไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้คนนั่นคนนี้ถ้าเรามีสติเวลาเรามานั่งเฉยๆเราก็จะทำเดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็ดที่ถ้ายังไม่นั่งเฉยๆยจิตยังต้องทำงานอยู่ยังต้องคอยสั่งร่างกายให้ ให้เคลื่อนไหวให้ทำอะไรต่างๆถ้าต้องการให้จิตนิ่งเต็มที่เราก็นั่งนั่งเฉยๆแล้วก็ใช้สติใช้พุโทโธนี่มาหยุดจิตพอเราพุโทโธพุโทโธไปแล้วนั่งเฉยๆเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้ทีนี้ก็นิ่งพุโทโธก็หายไปไม่ต้องทำอะไรมีความสบายเพราะตอนนั้นความอยากคิดความอะไรต่างๆถูก สตินี้มัดเอาไว้กอดเอาไว้เจ็ดก็เลยเบาสบายในความสุขโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอันนี้แหละที่เราต้องการกันผลที่เราต้องการคือความสงบความนิ่งของใจแต่มันก็นิ่งได้ชั่วคราวเพราะกําลังของสติเรามีไม่มากมีไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาหรืไม่ใช่นนั้นมันก็ต้องออกมา ดูแลร่างกายต่อเพราะร่างกายนี้เรายังต้องเลี้ยงดูมันเวลาอยู่ในสมาธิเหมือนเราทิ้งร่างกายไว้เชื่อข่าวเดี๋ยวเราก็ต้องออกมาเพราะร่างกายต้องการดื่มน้ำต้องข้าเข้าห้องนะต้องการเติมอาหารอะไรต่างๆเราก็ต้องออกจากสมาธิ อ, ออกมาเราก็น้องคิดถ้าคิดเดี๋ยวก็ความสงบก็หายไป ถ้าเราอยากจะไม่ให้มันคิดเราจออกมาก็ต้องพุดโทต่อไปท้าพุดโทรบริการพุดโทแล้วก็ทำอะไรไปตามหน้าที่ต้องเดินน้ำก็เดินไปต้องทำอะไรก็ทำไปทำเสร็จแ้าเดี๋ยวกลับไปนั่งใหม่กลับไปนั่งสมาธิให้มันสงบใหม่พยายามหัดทำแบบนี้บ่อยๆให้มันชำนาญจนเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ แล้วเราก็จะสามารถหาความสุขได้เวลาที่เราต้องการเวลาที่เราไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรเราก็เข้าไปในสมาธิหาความสุขแทนที่จะไปหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานหรือการไปเที่ยวตามสถานที่ตา่ตางๆเราก็ไปนั่งสมาธิกันถ้าเราอยากที่จะหยุด ความอยากอย่างถ้าวรเวลาที่ออกมาจากสมาธิเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงพิสูจน์แล้วว่าการทําตามความอยากนี่มันจะทําให้เราต้องทําไปเรื่อยๆทําแล้วก็ต้องทําอีกและเวลาไม่ได้ทําก็จะทุกข์แทนที่จะได้ความสุขกับทุกขเช่นคนที่ไม่เคยติดยาเสพติดนี้ ถ้าไม่ติดยาเสพติดนี่จะไม่ทุกกับเรื่องยาเสพติดได้แต่พอไปเริ่มเสพดูสิเสพแป๊บเสียวมันติดแ่้ต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้เสพทีนี้ก็จะทุกข์แล้วแล้วเสพมากๆเดี๋ยวก็ตายเพราะยาเสพติดนี่มันมีพิษได้แรงต่อร่างกายใช้ปัญญาให้สอนให้เราเห็นว่าการทําตามความอยากนี่มันจะพาให้เราอยากไปเรื่อยๆ แต่วเวลาไม่ได้ทำตามความอยากก็จะเครียดจะทุกข์จะหุดหิดจะลำพางใจถ้าเรามีปัญญาเราทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็บอกไม่อยากดีกว่าไปนั่งสมาธิแทนดีกว่าอยากดูทีวีก็ไปนั่งสมาธิต่อเดินไม่นั่งสมาธิก็นั่งเฉยๆก็ได้เดินก็ได้แต่อยากไปดูอยากไปทำตามความอยาก แล้วต่อไปความอยากดูอยากฟังอยากเดินอยากรับประทานอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องดูต้องฟังต้องเดินต้องรับประทานมันก็จะหายไปแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่ใหม่ไม่ต้องมาเจ็บใหม่ไม่ต้องมาตายใหม่เนยดีไหมดูคุณแม่ตอนนี้แก่เป็นยังไงต่อไปล้วก็เหมือนกัน ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนคุณแม่คุณแม่เมื่อก่อนก็เหมือนเราอย่างนี้คุณแม่เป็นอย่างนี้เราก็ต่อไปก็ต้องเป็นเหมือนคุณแม่คุณพ่อทุกคนเหมือนกันหมดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ทุกกันอยู่เรยๆทุกเพราะไม่สามารถทําตามความอยากได้หรือทุกเพราะว่าชูเสียสิ่งที่อยากได้ไป ได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข<ม>์ก็ต้องอยากหาใหม่หาไม่ได้ก็ทุกข์หาได้ก็ทุกข์เพราะต้องมาคอยกัวงวลกับของที่หาได้<ม>ว่าจะหายไปเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่นี่นี่คือผลกระทบที่เกิดจากการที่เราไปทำตามความอยากา ต, าต่างๆถ้าเราไม่มีความอยากนี่เราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่ต้องมีอะไร แมแต่ร่างกายนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรร่างกายเก็กบไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์กมันเพราะไม่ได้ต้องการใช้เหมือนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คือการมาหยุดกิจกรรมแต่ทางโลกนี่เขากลับว่าวันหยุดต้องเอาเวลามาทําประโยชน์กัน ถ้าทำประโยชน์เพื่อหยุดความอยากก็ดีเช่นไปวัดกันไปทำบุญกันหรือไปทำงานไปงาน ส, สาธารมนักุศลต่างๆอันนี้ก็เป็นการเอาเวลาที่เราจะไปเที่ยวกันมาทำประโยชน์กันอันนี้มันก็ทำให้เราหยุดเที่ยวได้แล้วเที่ยวได้ ทุกครั้งที่เราจะเที่ยวเราอเอกไปทำประโยชน์กันนี้ก่อเรามีความสามารถอะไรก็ไปทำกันทำประโยชน์ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนทุกข์ยากอันนี้เราก็จะทำให้เรากำจัดการกระทาความอยากต่างๆไปได้ในบางส่วนแตนน่มันไม่หมดเราต้องมากำจัดด้วยการรักษาศีลแปด กาจัดด้วยการนั่งเฉยๆยดยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วกาจัดขั้นสุดท้ายก็การจัดด้วยปัญญาทุกครั้งที่เกิดความอยากก็เอาความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้ว่าว่าการกระทําตามความอยากนั้นไม่ได้เป็นการพาไปสู่ความสุขเป็นการพาไปสู่ความทุกข์สมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ในอนิย า, ศ า, ศาสัตสี คือการว่าทัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาอย่าไปทํามันดโดยเด็ดขาดเวลาอยากในรูปเสียงกินรสต้องไม่ทําเวลาอยากมีอยากเป็นอะไรต้องไม่เป็นไม่มีเวลาอยากไม่มีอยากไม่เป็นอะไรก็ต้องไม่อยากเช่นไม่อยากอย่าเวลาไม่อยากแก่ ก, ก็ต้องหยุดมันไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหยุดมันไม่อยากตายก็ต้องหยุดมัน เพราะถ้าไม่หยุดมันมันจะทำให้เราทุกข์มากเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตายถ้าเราไม่มีความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราจะเฉยเฉยใจเราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายหรือกับความยากจนหรือกับการที่ถูกลดตำแหน่งถูกโ ย, า ย, ายกย้ายไปอยู่ที่เราไม่อยากไปกเวลาเ้าย้ายไปไหนต้องอยากไปแล้วจะไม่ทุกข์ เราขย้ายเราเราไม่อยากไปเราจะทุกข์นี่ภาวะตัณหาเกิดไม่อยากไปที่นั่นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาวะตัณหาแต่ที่อยากจะไปก็จะไม่ทุกข์อยากจะได้สิ่งที่เราอยากได้มันก็จะไม่ทุกข์แต่อยากไม่อยากแบบนี้อยากเพื่อแก้ความไม่อยากแต่อยาาไปอยากโดยที่ไม่มีเหตุเช่นพอจะแก่ไม่อยากแก่ก็ต้องอยากแก่ พรอยากแก่แล้วก็จะดีใจนะได้สมสมใจหวังตอนนี้ได้แก่เวลาไม่อยากเจ็บก็ต้องบอกอยากเจ็บเพอาอยากเจ็บแล้วมันก็จะไม่ท si ุกข응์กับความเจ็บที่มันทุกข์เพราะมไม่อยากเจ็บก็ยานความเจ็บมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์กแต่ความไม่อยากเจ็บนี่มันทําให้เราทุกข์ถ้าเราหยุดความไม่อยากเจ็บได้ด้วยความอยากเจ็บด้วยด้วยการเฉยเฉย พวกที่เ้าเอาของแฉลบของคมมาทิ่มปากทิ่มลิ้นเา้าเขาอยากเจ็บกันเวลาเขาเจ็บเขาจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมวรเราถ้ามันมันไม่กลัวความเจ็บแล้วมันก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บที่เราทุกข์กับความเจ็บกันเพราะเรากลัวมันเราต้องไม่กลัวมัน <c oughs> ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องไปขยับร่างกาย แล้วก็มาหยุดความอยากไม่เจ็บให้มันหายไปถ้าหยุดความอยากไม่เจ็บหายไปได้แล้วนั่งก็มันสบายไหมทําเจ็บจะรู้สึกนิดเดียวเหมือนเข็มฉีดยาเนี่ยหมอบอกจะฉีดยาให้เข็มเนี่ยไม่ทันฉีดแล้วใจมันเจ็บไปก่อนนะพราะไม่อยากเจ็บใช่ไหมไม่อยากฉีดใช่ไหมแต่บอกว่าดีใจหมอจะฉีดยาให้วันนี้ดีใจจะได้รักษารโรคให้หายได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่กลัวความเจ็บ อยากให้หมอฉีดหมอไม่ฉีดทั้งทีพอหมอบอกจะฉีดท่านก็ดีใจ น, นี่คือความอยากที่มันทำให้เราทุกข์ใจกันเราต้องมาหยุดมันให้ได้หยุดด้วยวิธีที่พระเจ้าสอนเนี่ยทานศีลภาวนาถ้าจะใช้เงินตามความอยากก็หยุดใช้เอาเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทน ถ้าอยากจะทำอะไรผิดศีลก็อย่าทำโดยเฉพาะศีลแปเนี่ยถึงมาจะไม่ผิดไม่บาปเช่นร่วมหลับนอนกับแฟนหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิง ต, าตา่างๆกินอาหารมือเย็นนอนหลับนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนี้มันไม่บาปแต่มันก็เป็นกิจกรรมที่เสริมความอยากอยู่นั่นแหละที่เราต้องตัดมัน ถ้าเราไม่ทําแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องทํากิจกรรมเหล่านี้เวลานไม่ได้ทําก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจไม่เครียดไม่ว้างเวี่ไม่เศร้าสวยไมเหนาถ้าเคยมีแฟนนี่พออยู่คนเดียวนี่จะหนามากแต่ถ้าอยู่แบบคนเดียวได้ไม่มีแฟนได้สบายมีไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อนไม่อยากจะมีด้วยซ้ํำมีแล้วรำคาญเรื่องมากเดี๋ยวยาวนู่นเดี๋ยวยาวนี่น นี่แหะคือความจริงที่พระเจ้ายได้ส่งคนพบที่พวกเราจะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตัวของพวกเราเองถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกความจริงเหล่านี้เราก็ยังจะทําตามความอยากต่อไปมีใครไม่อยากได้เงินมากมั้ยมีใครไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตมั้มีใครไม่อยากได้รับการสรลเสริญเยืนยอมมั้มีใครไม่อยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นมั้มมีแต่อยากกันนะ ต่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราเนี่ยของพวกนี้เป็นอันตรายเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นขนมหวานเสพแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติด mm hmm. มันไม่ได้เป็นอาหาร mm hmm. เราได้เรามีโชควาสนาที่ได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้เรามีโอกาสได้พบกับความสุขที่แท้จริง นราได้หลุดพ้นจากการเป็นท่าทั้งยาเสษติดทั้งหลายคือ mm hmm. รูปเสียงกดลดิ่นรสลาบยศจันะเสียนี้มันเป็นยาเสษติดดีๆนี่เองแต่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่ามันเป็นของดีกันแล้วเราก็ทุกข์ุ่นวายกันเครียดกันกับมันเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจน้นก็ขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตา ม, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ ให้มากที่สุดแล้วมันจะพาเราไปเองมันจะพัฒนาไปเองจากทานก็จะไปสู่ศีลจากศีลก็จะไปสู่ภาวนาตามลำดับต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้อรยะทาวาริวาหาปุราปะริปุรนติสาการัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิฟะเมวะสมิจจัตโตสัพเพโคเลนโตสังกปาจันโทปัญ y a ระโสยะธาเมเนโชตระโสยะธาสัพพิตโยวิวัชานโตสัพพโรโควินาสตุ มาเตผวตะวันตรายุสุขีทีขาโยโกวะมะพิวาทันสีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเมื่อกี้รั้เป็นยางไรมีปัญหาและเสียแลว ตัวตัวรับสัญญาณตัวนี้สีครับรับเสียงไหตัวแอมป์ฟเออร์แหละนะครับที่จะรับสัญญาณเข้ามาในเครื่องเนี่เสียงไม่มีอะไรในเครื่องวันนี้มีแต่ภาพตอนตอนนี้มีของ Facebook ตัวเดียวออแต่ตัวที่ใช้ไม่ได้วันนี้ยูทูบเสียยูทูบตอนนี้ดึงเสียงมาบ้างอ่าแบ่งอยางครับยังยังยังไม่แน่ใจว่า youtube จะได้แค่ไหนเออครับก็ถ้ายู u ูบเข้าไม่ได้ก็ไปเข้าไปในเฟซบุ๊กกันก็ตัวเดียวตอนตอนนี้ตอนนี้เฟซบุ๊กชัดเจนค่ะเอ ่มีช่วงขาดไปช่วงแรกขาดช่วงแรกไปแล้วตอนนี้มีผู้ฟังเข้ามาได้ะคุณพูดดูผู้ชมใน facebook อ่าสูงสุดจะกี่สามร้อยหสิบเจ็ดค่ะตอนนี้สามรสสี่ค่ะอ๋อก็ยังไม่หายไปช่วงที่ขาดเขาก็รออยู่นะครับเขาเขาดีใจกันมากดีใจดีใจมากที่ช่วยฟังเข้ามากลับเข้ามาค่ะบางทีตอนเริ่มแรก ทางล่างบอกเสียงเบาเบาไม่ได้ยินเสียงจบก็มันอนิจจ์นะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็เห็นไหมมันเวลาให้เสียงเราเราก็มีความสุขพอมันเสียงหายไปเราก็ทุกข์เลยครับมีใครอยากจะถามอะไรก็ได้นะที่พูดมาไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะให้เสริมตรงไหนเราถามได้ ดังๆ่อยนะเอะ้เข้ามาใกล้ๆคือขอถามค่ะเวลาปฏิบัติธรรมที่บ้านเหมือนกับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยใจยิงนิ่งแต่เวลามาปฏิบัติที่วัดอยูต่ำทั้งสามวันขึ้นไปถึงจะสงกมาเข้าไงไงคือ ถ้าที่สังเกตจากการปฏิบัติทำมาหลายครั้ง ท, ที่ที่วัดอื่นด้วยนะคะเหมือนกับว่าถ้าถ้าอยู่บ้านเนี้ยอยู่ตื่นเช้ามาปุ๊บหนุ่ปฏิบัติประมาณเนี้ยห้องทัพชั่วโมงหนึ่งคือก็มีบ้างอ่ะที่เห็นรู้สึกว่าใจเรานิ่งเออค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าหนุ่มาวัดทุกครั้งเลยซึ่งปฏิบัติมานานแต่ว่าทำๆหยุดๆนะค ะ, ะก็เหมือนว่าต้องผ่านไปสักสามวันก่อนใจถึงจะเริ่มนิ่งได้มันไม่ที่ทำไมอยู่บ้านแค่แบบชั่วโมงนึงก็เออก็นิ่งเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันนิ่งก็ที่ไหนมันนิ่งก็เอาที่นั่นก็แล้วกันแต่อยู่บ้านนิ่งก็ไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลาแต่มันนิ่งแค่ชั่วโมงเดียวแต่มันก็ไปทำอะไรต่างๆได้แต่อยู่วัดมันทำอะไรไม่ได้มันก็เลยยอมนิ่งเพราะมันแค่นิ่งแค่ชั่วโมงเดียวแล้วอีกยี่บาชั่วโมงมันจะไปทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้ามาอยู่วัดนี่มันถึง มันมันไปทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้มันทํามันก็เลยดิ้นใหญ่มันก็เลยไม่ยอมนิ่งใช่ไหมพออยู่ที่บ้านเรานั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทําแรงเกิดได้ดูทีวีได้กินอะไรก็ได้ใช่ไหมดื่มอะไรก็ได้มันก็ยอมยอมให้เรานิ่งชั่วโมงหนึ่งแต่มาอยู่นี่เรากินก็มีเวลาใช่ไหมดูอะไรก็ไม่มีอะไรให้ดูเรฟังอะไรก็ไม่มีอะไรให้ฟังมันก็ไม่ยอมนิ่งเหือสิมันก็ดิ้น ดินหายของขถึงฐามนี่นไม่เคยได้ใช่ไอมมันฉลาดแ่มันจะหลอกเราว่า <c oughs> ปฏิบัติช่วโมงเดียวก็พอไม่ต้องมาอยู่วันสามวันนั่นมันเหนื่อยอ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้าอยากรู่อยู่บ้านก็ต้องอยู่แบบวัดเสร็จซื้อสิน ป, ป่าไปเสร็จไม่เปิดทีวีไม่ไม่ดื่มไม่กินอะไรนอกเวลากินเป็นเวลาไปกินมื้อเดียวอย่างนี้แล้วดูสิว่ามันจะนิ่งไหม <c oughs> ใช่ไมบรรยากาศมันไม่เหมือนกันกรอบกรอบการบังคับใจมันไม่เหมือนกันอยู่บ้านไม่ได้บังคับมันไงไม่ได้ถึงสี่แปดใช่ไหมกินข้าวเย็นก็กินได้ใช่ไอม ม, มันก็เลยทําให้มันมันยอมมันดิ่งง่ายเพดึ้งแป๊บเดียวเดียมันก็ไปกินข้าวเย็นได้แนละ้วเดี๋ยวยาจะนอนกับแฟนก็นอนได้จะทําอะไรก็ทําได้หมดนอกจากไม่ทํำบาปเท่านั้นแต่ถ้ามาอยู่ว่านี่มันกรอบบังคับเยอะกว่า มันก็เลยดิ้นเพราะมันทําอะไรไม่ได้<ช>มันอยากจะทําแต่ไม่มีอะไรให้มันทำํำ<ช>มันก็ดิน้นนั่งยังไงก็ไม่ยอมสง บ, บแล้วก็มีวันหนึ่งที่ปฏิบัติเหมือนกับว่าสนนะมุตินะเหมือนกับว่าเ อ, อจิตคิดเรื่องข้างนอกอะ่ะเช็เคคอไก่อิสาพารอตก็กําหนดพุโทโธก็อยู่อิสาพารก็มาเช็คขอไข่บุ๊คแล้วก็เช็คคอควายอยูีกคน เร็วมากเลยก็มันเิงเมื่อกี้ไล่ฟังมันเล็กมันเช่าก็ก็โจรค่อยหนจากต้นนี้ไปตั้นต้นนั้นมันก็ไปเรื่อยๆของมันะมันไม่มีเหตุไม่มีผลหรอกมันมีอะไรไม่ขึ้นได้มันก็คิดไปก็เลรู้สึกว่าเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเยอะแบบกำหนดพุทโธพุทโธเหนื่อยก็เลยตอนหลังมาสวดมนต์ยาวแบบอีกทีส่งได้ถ้าพุทโธไม่ไหวก็ใช้สวดมนต์ไปก่อนด้วยฟังเทศบ้างก็ได้ เทกช่วยทำให้เรามีสติจดจ่ออยู่การฟังมันก็ทำให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้น เ, เ, เรื่องนี้ได้แต่ทั้าถาดีก็พูดโธคำเดียวได้ก็จะดีแ ส, ส, ส, สดงว่าถ้าเราพูดโธได้สติเรามีกำลังมากโดยถ้าดูลมหายใจได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็แสดงว่าเรามีสติมาก แต่ถ้าดูแล้วยังคิดนู่นคิดนี่พุทโธยังคิดนู่นคิดนี่อยู่ก็แสดงสติมีกําลังไม่มากก็ mm hmm. ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพื่อเสริมสร้างสติขึ้นมา mm hmm. ถ้ามันอยู่นั่องอยู่บ้านดูแล้วเือสินแปรมันมาอยู่บ้านดย mm hmm. แล้วทําทุกอย่างเหมือนตอนที่มาอยู่บ้านดูดูแล้วมันจะนั่งช่วโมงเนี่ยมันจะนิ่งหมกิเลยมันหลอกกนะ ทางบ้านเขาให้ก็ถามเข้ามาได้ค่ะคำถามจากทาง Facebook Live นะคะจากคุณกระทอกน้อยการตัดภพตัดชาติให้สั้นลงต้องทําอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรครับแต่ในอาที่เทมาเมื่อกี้เนี่ยก็เรื่องตัดภพตัดชาติคือต้องตัดความอยากสามตัวเนี้ยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเดวการมตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตค่ะ ความอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ต้องตัดสามตัวนี้ไปแล้วพบชาติก็จะน้อยลงไปพอสามตัวนี้หมดภพชาติก็จะหมดพอสามตัวนี้ไปเหมือนกับฟืนฟืนมันก็จะทำให้ไฟลุกอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่เอาฟืนเข้าไปในกองไฟเราดึงฟืนออกมาพอไม่มีฟืนอยู่ในกองไฟไฟมันก็ต้องดับเอง คำถามจากคุณเนโกะถ้าสวดมนต์แต่ไม่มีสมาธิแต่ก็พยายามสวดทุกวันค่ะแต่ก็ยังไม่มีสมาธิจะต้องทําอย่างไรคะคือสวดนมนต์นี่มันจะไม่ทําให้จิตสงบหรอกการสวดนมนต์นี่มันเพียงแต่ทําให้เราไม่ไปคิดฟุงฟ้งซ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องเมื่อกี้นี่อย่างที่โยเมื่อกี้พูดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรคอยคุมมันให้มันทําเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปต่อเรื่องนั้น แต่ถ้าเราสวดมนต์มันก็ทำให้เราไม่สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้แต่มันไม่สงบมันเพียงแต่ทำให้เรามีกำลังที่จะฝืนความคิดได้ถ้าเราอยากให้สงบพอเรามีสติมีกำลังที่จะฝืนหรือหยุดความคิดได้เราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้แล้วก็ต่อด้วยพุโทโธพุโทโธแล้วเดี๋ยวจิตนันก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามจากคุณนิรันต์อยากสร้างเรื่องจิตวิญญาณครับอย่างเช่นมดยุงหรือสัตว์ต่างๆเวลาตายลงไปวิญญาณจะไปเป็นรูปแบบใดต่อไปครับก็เป็นไปตามบุญตามกรรมตามบาปของเขาบุญกับบาปนี้จะเป็นตัวที่จะไปทำให้เราไปได้เป็นอะไรต่อไปถ้ายังเป็นบาปอยู่ก็ยังต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง ถ้าบาปที่เราทำไว้ยังไม่หมดยังมีกำลังดึงเราให้ไปเป็นตาอะไรต่างๆก็ไปหรือว่าถ้ามีถ้าเป็นบุญบุญก็จะดึงเราไว้อยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างแต่ถ้าบุญหมดกำลังบาปหมดกำลังที่จะดึงไปสวรรค์หรือดึงไปอบายเราก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทาบุญทาบาปกันใหม่ คำถามจะคุณมีศัก์ถ้าเราไม่ได้บวชแต่ตั้งจิตว่าจะขอเป็นลูกศิษย์หรือสาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรครับได้เราจะทําอะไรก็ได้อยู่ที่ความตั้งใจของเราเราอยากจะเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเป็นศิษย์แบบมีครูคือต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ท่านสั่งท่านสอนให้เราทําอะไรเราก็ต้องทําเหมือนเราไปเรียนหนังสือเราก็ฟังอัดครูที่โรงเรียน กูบอกให้ทำการบ้านเราก็ทำการบ้านกูบอกให้ดูหนังสือเราก็ดูแล้วพอถึงเวลาไปสอบเราก็สอบได้ขึ้นชั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกให้ทำทานให้รักษาศีลศีลห้าศีล8ให้หัดนั่งสมาธิให้เจริญพุทโธเจริญสติให้ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยาก แล้วถ้าเราเอาไปใช้เวลาที่เราเจอข้อสอบเราก็จะสอบผ่านใช้เวลาอยากได้อะไรก็บอกไม่เอาพระพุทธเจ้าสอนบอกถ้าไม่อยากจะไปมีพพชาติก็ต้องอย่าไปทาตามความอยากเราก็ต้องหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากต่างๆถ้าเราทาได้เราก็จะได้เป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเองจะบวดหรือไม่บวยก็ไม่เป็นปัญหาเลย บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เพราะการบวชไม่ได้เป็นตัวที่ตัดสินให้เราเป็นพระสาวกหรือไม่ตัวที่จะตัดสินให้เราเป็นพระสาวกก็คือการทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามถ้าบวชแล้วไม่ทำตามก็ไม่ได้เป็นสาวกอยู่นี่ถ้าไม่บวชแต่ได้ปฏิบัติก็ได้เป็นสาวกคำ ถ, ถามจากคุณนะัทพลการที่เราทาตามความอยากไปเรื่อย เป็นการสะสมความอยากในใจพอถึงเวลาปฏิบตัติใจเราที่คอยทำตามความอยากมาเรื่อยๆในก่อนหน้านั้นจะคอยมากวนใจทำให้ใจไม่สงบถ้าเราทำการลดละความอยากลงไปฝืนใจไม่ทำตามกิเลสความอยากเวลาเราปฏิบัติก็จะช่วยให้ใจเรานิ่งสงบมีสมาธิมากขึ้นสงบได้ไวขึ้นกระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องแนละ้วขอให้ทำได้ก็แล้วกัน ความเข้าใจกับการทำด้านนี่มันยังคงจะอยู่หมือกับดูแผนที่ ก, กับการเดินทางเราดูแผนที่แล้วเราเรู้ว่าที่ที่เราทางที่เราจะต้องไปไปทางนี้แต่ถ้าเรายังไม่ออกเดินทางก็ยังไปไม่ถึงอยู่ดีเมื่อเราเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกครั้งที่เราเกิดความอยากเราก็ต้องฝืนมัน อย่างที่อธิบายฟังมีเงินอยากจะซื้อของไม่จำเป็นมีรถสองคันแล้วยังอยากซื้ออีกคันอย่างเงี้ยถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อได้ซื้อแล้วก็ไปบริจาคให้วัดไปหรือให้โรงพยาบาลไปให้ที่ไหนไปไปอย่างนี้แล้วมันจะมันจะมันจะอะไรนะมันจะทำให้ไม่หยุดอยากจะซื้อได้ทุกครั้งอยากจะซื้อรถคันใหม่ซื้อไปเลยซื้อแล้วก็ไปบริจาคให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้ที่ไหนก็ได้ อย่างนี้ต่อไปมันไม่อยากจะซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วเก็บไว้เดี๋ยวมันมีห้าสิบคันร้อยคันคนบานคนมีต้องสร้างโกดังเก็บรถอพอเห็นรถนู่นนี้ก็ชอบเห็นนู่นนี้ก็ชอบพอมีเงินก็ซื้อมันซื้อมันเข้าไปซื้อแล้วก็มาเก็บไว้เฉยๆแต่อย่างีมันก็จะอยากไปเรื่อยๆแต่ถ้าซื้อมาแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเดี๋ยวมันก็ไม่อยากซื้ออะ คำถามจะคุณออยลี่นั่งภาวนาเวลานั่งภาวนาพุโทโธเดินตรงกลมใช้ขวาย่างหนอ่อซ้ายย่างหน่อได้ไหมคะได้มันก็เป็นอุบายที่จะให้เราไม่ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เราไม่คิดให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เช่นถ้าเราไม่ชอบพุโทโธเราใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ก็ดูเหมือนไป กำลังแปลงฟันก็ดูมันไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นกําลังหวีผมก็หวีผมไปล้างหน้าก็ล้างหน้าไปแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวทําอะไรก็ให้เฝ้าดูมันไปอย่าแต่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติดึมใจไว้ไม่ให้คิดแล้วพอนั่งนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจแทนดูลมเข้าดูลมออกไปเดี๋ยวใจก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมา แล้วก็จะมีความสุขมากคำถามจากคุณ AJ นั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุโทโธแล้วมีอาการเกรงระหว่างคิ้วและหน้าผากบริเวณหน้าผากด้านซ้ายแก้ยังไงดีคะ อ, อ๋อมันเป็นเรื่องของป ฏ, ฏิกิริยาของของความอยากความอยากทำนู่นทานี่มันทำให้มันอึดอัดมันไม่ได้ทำตามความอยากมันก็เลยสร้างอาการต่างๆขึ้นมาแน่นหน้าอกบ้างปวดศีรษะบ้าง คันตรงนั้นคันตรงนี้มันจะมีอาการอะไรต่างๆเหล่านี้มาคอยเป็นอุปสรรคให้เราเลิกนั่งสมาธิกันพอเราไปเปิดทีวีดูนี่มันหายเลยเชื่อไหม <c oughs> <c oughs> แต่กะอย่าไปทำอย่างนั้นหายแบบนั้นไม่ดีให้หายแบบเวลาจิตสงบดีกว่าบ่อยมันมันจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกขมอะไรของมันก็ชั่งหัวมันแล้วก็ดูลมไปพุโทโธไปเดี๋ยวพอ ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้ทุกครั้งที่นั่งมันก็จะเจออุอปสรรคอันนี้แล้วก็จะแล้ก็จะไปไม่ได้แล้วกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเราผ่านด้วยกันสู้กับมันโดยไม่พุทธนี่นจะจะดีกว่าไหมคะหรือว่าก็ไม่พุทธโทแสดงว่าเรามีสติไม่ต้องใช้พุทธโท<อ>มันก็เหมือนกันคําถามจากคุณวีรพร กรณีถูกตีกรอบปิดช่องการทำตามความอยาก <ừ. S 1> เช่นปิดการสื่อสารงานเกี่ยวกับการช่วยเผยแผ่ธรรมะให้อยู่กับการภาวนาดินใจเข้าเข้าในอย่างเดียวแต่ใจมันดิ้นมันดื้อไม่ยอมพุโทโธอย่างเดียวคอยแต่จะหาช่องออกต้องทำอย่างไรกับมันคะก็โยนมือถือทิ้งไปสิอย่าไปมีมือถืออย่าไปมีอะไรสมายไปอยู่วัดป่าบ้านตาหนองตาท่านห้ามทุกอย่าง สั่งซื้อพิมพ์วิทยุโทรศัพท์โทรโทรัศน์อะไรไม่ให้เข้าไปมีในวัดสมัยก่อนมันสื่อยังไม่มากเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนไฟฟ้าท่านก็ไม่ให้มีพ่อรู้เดี๋ยวมีไฟฟ้าเดี๋ยวมันมีอย่างอื่นตามเข้าไปอะไรช่วยต้องบปอวัดที่เขาไม่ให้มีอะไรเลยให้มีแต่ตัวเปล่าๆอย่างเงี้ยจะได้หมดปัญหาไปถ้าอยู่กับที่ยังมีมือถือยังมีอะไรอยู่เดี๋ยวมันก็อดไม่ได้ าำอย่างเรามันหลอกล่อเราเนี่ยก็อ้างว่าเอ้เป็นห่วงแม่มัง่งห่วงพ่อมั่งอะไรบั่งพอเปิดจริงๆไปดูแฟนซะมากกว่าไปติดตามหนึ่งแฟนหนึ่งคนนั้นเรื่องคนนี้ซะมากกว่ายันต้องตัดของพวกนี้ไปให้หมดอย่าไปมีอะไรเลยคําถามจากคุณพิพ์ทองก่อนนอนสวดมนต์และภาวนาสักพักจิตรวมลงพลื่ดิ่งเลยคะ่ะแล้วให้ทํายังไงต่อคะ ถ้ามันพิ่มมันเด้งแบบไหนเด้งแบบหลับนรืดเดงแบบตื่นแต่มันเด้งมันนิ่งก็ให้มันนิ่งไปนานๆให้สักแต่ว่ารู้ไปถ้ามันเดิงแล้วไม่รู้เรื่องอะไรก็แสดงว่ามันหลับคำถามจากคุณธนากรการฝึกให้ไม่โกรธง่ายทำอย่างไรครับต้องไม่มีความอยากความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความโกรธอยากได้อะไรพอไม่ได้ก็โกรธใช่ไหมอยาก อยาให้คนนั้นก็ทําอย่างนั้นได้หน่อยก็<ๆ><ๆ>ไม่ทำํำเราก็โกรธเขาแล้วยันเราอย่าไปอยากเอายินดีตามมีตามเกิดแล้ว เ, เราจะไม่โกรธใครขอร้องก็ได้ถ้าเขาไม่ทําก็ไม่เป็นไรยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากอะคนเราบางทีเราทําอะไรคนเดียวไม่ไหวก็อาจจะต้องขอร้องกันถ้าขอร้องแล้วเขไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็ไม่หลองทำํำเลิกไป เราก็จะไม่โกรธคือให้ยินดีตามนี้กันตามตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีขอร้องนะเขาช่วยเราก็ดีไม่ช่วยเราก็ดีอย่างนี้ก็จะไม่โกรธแต่ถ้าต้องได้อย่างเดียวพอไม่ได้ก็จะโกรธขึ้นมาคําถามจากคุณพัชรกสิทธิ์อยากจะบวชพระแต่ต้องหาเงินดูแลคุณพ่อคุณแม่จะทําอย่างไรดีก็ทำคุณจะทำสองอย่างได้ยังไงมันก็ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรดีก็ทำอย่างนั้นก็แล้วกัน <laughs> คำถามจากคุณโสพิษเคยมีปัญหาค้างคาใจเรื่องงานแล้วพยายามไม่คิดยอมให้จบแต่มีอยู่วันหนึง่งนั่งสมาธิแล้วปัญหานี้มาคลี่คลายในใจให้เข้าใจแล้วจบเลยถ้าอย่างนี้จะใช้สมาธิมาช่วยเรื่องงานได้ไหมคะได้ถ้าเรามีปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เราก็ไปนั่งสมาธิก่อนทาใจให้สงบก่อน พอใจสงบแล้วมันจะเป็นกลางเป็นเหตุเป็นผลตอนที่เราไม่สงบนี่มันเป็นอารมณ์มันจะเอาแบบนี้อย่างเดียวจะเอาให้ได้แบบนี้มันก็เอาไม่ได้แต่พอเราไปนั่งสมาธิจิตสงบใจเป็นกลางมันก็มองด้วยเหตุด้วยผลมันก็เห็นว่าอา้าวทางออกมีทางในี้ทางนี้ก็ไปได้มันก็มีทางออกไปหรือถ้าไม่มีมันก็ยอมรับสภาพว่าไม่มีก็ไม่มีก็อยู่กับมันไป เมื่อแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันคําถามจากคุณประทัดพุทธวจนะมีความน่าเชื่อมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบ ก, กับพระไตรปิฎกอ่าเหมือนก็อันเดียวกันไม่ใช่เนะพุทธวจนะมันก็มาจากพระไตรปิฎกไม่ใช่นะพุทธวจนะก็แปลว่าคําพูดของพระเจ้าไม่ใช่เลยนะนะพุทธพจน์เนี่ยพุทธพทจน์คําวจนะก็คํามาจากพรนะพจน์เนี่ยพจน์พวจอ น, อจอ น, อจอนอ์นี่เป็นคำเดียวกัน พุทธพจน์ทุทธวัจนะมันก็เป็นคําสอนที่จะลึกไปในพระไตรปิฎกก่อนที่จะจัด ะ, จ ะ, จะลึกในพระไตรปิฎกก็เป็นการท่องจําของ พ, พ, พ, พ, พ, พาอาาระพระพระอรหันตสาวกทั้งหลายเราก็มีการสังคายนามีการ <c oughs> ทบทวนกันอยู่เรื่อยๆว่าเพี้ยนไปหรือเปล่าผิดไปหรือเปล่ปาสมัยก่อนก็จะมีพาาาระอรหันต์เป็นผู้มาคอยทบทวนให้ แต่สมัยหลังนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีผ้าอรหันมาทำเท่านั้นเงหรือมีก็ไม่รู้ก็ถือว่ายังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นความจริงที่เราสามารถนำเอาไปพิสูจน์ได้อีกข้อนะคะจากท่านเดิมการเริ่มภาวนาพุทโธเริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือเปล่าครับอ๋อก็เป็นการเจริญสตินะ มีพุทธานุสตินี่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคำถามจากคุณวัฒนะพงศ์เวลานอนผมชอบนอนฟังธรรมแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาก็สดชื่นเป็นบุญไหมครับเป็นยานอนหลับคำถามจากคุณเพิ่มพง การบริการพุทโธคือการเจริญจิตตานุปัสนาสติปฐานใช่ไหมครับไม่หรอกเป็นการเจริญพุทธานุสติบริการพุทโธแล้วเลิกถึงชื่อพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าการมีสติสติคือการแล้วลิกแล้วอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของพุทธานุสติซึ่งมีหลายวิธีนอกจากพุทโธแล้วเราจะสวดอิติปิโสไปก็เป็นพุทธานุสติเหมือนกัน ถ้าเราสวดจวาคขาโตไปแล้วก็เป็นธรรมานุสติไปถ้าเราสวดสุปฏิปันโนมันก็เป็นสังขานุสติไปหรือเราจะบริกรรมธรรมโมธรรมโมก็เป็นธ ร, รมานุสติบริกรรมสังโคสังโคก็เป็นสังคานุสติคําถามจากคุณโสพิธเวลานั่งสมาธิไปได้สินาทีก็อยากกลืนน้ำลายทุกครั้งต้องทำอย่างไงคะ อย่าไปเกลอนให้มันไหลออกมามันอยากจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปออแต่ไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันถ้าสนใจมันก็จะอยากปืนไปเรื่อยๆวันก็ยังไม่ได้นั่งสมาธิจะนั่งปืนนําลายแทนถ้านั่งสมาธิต้องให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมไปแล้วไม่ต้องสนใจมันจะคันตรงนั้นคันตรงนี้มันจะแน่นหน้าอกปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจอันนี้มันเป็นกิเลสมันสร้างก็าเรียกกิเลสสมาน มันจะมาคอยขัดขวางไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบเราต้องอย่าไปสนใจเกาะติดอยู่กับพูดโธไปอย่างเดียวพูดโธพูดโธพูดโธไปมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปมันจะคันก็ปล่อยมันคันไปมันจะแน่นตรงไหนก็ปล่อยมันแน่นไปไม่ต้องไปกังวลอย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองคำถามจากคุณเพิ่มพง ห า, หากดูการเคลื่อนไหวของกายแล้วรู้สึกสบายกว่าบริกรรมพุทโธควรใช้ดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวไปเลยถูกไหมครับอย่างไหนก็ได้ที่ทำให้เราไม่คิดทาให้ใจเราไม่ฟุง้งซ่านทำให้ใจเราสักแต่ว่ารู้อันก็ใช้ได้คําถามสกุณพันทิพย์ความอยากคือรากเงาใช่ไหมคะไม่ความหลงเป็นรากเ ง, งาของความอยาอกโอเคความหลงก็เกิดความไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ความสงบ มันก็เลยไปหาความสุขด้วยการทาตามความอยากาพอทตอนนี้เราได้เราได้ความรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วที่หายหลงท่านรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การทําตามความอยากแต่อยู่ที่การหยุดความอยากอยู่ที่การทําใจให้สงบอันนี้เราก็จะต่อไปเราก็จะหยุดความอยากได้เพราะถ้าเรารู้ว่าการทํราทตามความอยากแล้วทําให้เราทุกข์เราทาไปทาไม ถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วเราสุขเราชไม่ทำเราไม่ทำตามความอยากไม่ดีกว่าเลยคำถามจากคุณจันผาคนที่อยู่ในอรูปฌานอากินจันยายตนะกำหนดความไม่มีอะไรเลยวิญญาณก็ไม่มีหากเสียชีวิตในสภาวะนี้จะนำไปสู่การหลุดพ้นไหมครับไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันเป็นความสงบชั่วคราว เดี๋ยวกำลังของสติมันอ่อนลงมันก็จะเคลื่อนลงมาจากอารูปฌานสู่รูปฌานและจากรูปฌานก็จะเคลื่อนลงสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็จะเคลื่อนลงสู่ชั้นมนุษย์ต่อไปคำถามจากคุณเอเจเวลานั่งบริการพุทโธมันไปเห็นภาพของลมหายใจเขาออกด้วยค่ะแก้อย่างไรดีครับอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวตอนนี้คาถามหมอ่ ชาลันเขาอีเมลออกมาแล้วเขาไ ม, ไม่ไม่มีไม่ <M ain> เขาส่งทางให้เขาเข้าไปเลยเขาไปยนานาเว็บแล้วเขาสักฝากข้อความไว้แล้วข้อความก็จะส่งไปอีเมลไปให้กับพระและ้วพระมาเชาามาเล่าให้ฟังออ <im uk> <ias> แล้วกเขาจะมาขออยู่ส <im uk> อ, อง <im uk> อาทิตย์กับเพื่นอนอีคนอนึี้ I got your message if you follow me ช <im uk> าลัน for those who want to contact us can go into the website prasuchat.com เข้ไปในเว็บไซต์ prasuchat.com แล้วก็ฝากข้อความได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศกันเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะติดต่อมาอยู่ที่นี่เขาก็เข้าไปหรือบางทีเขามีคำถามเขาก็ฝากคำถามไว้แล้วเดี๋ยวพอเดือนหนึ่งก็จะมีการรวบรวมคำถามที่เขาถามแล้วก็มาอ่านตอบคำถามแล้วก็ ถ่ายทอดสดผ่านทาง a c e b o o กกับ YouTube เสร็จแล้วก็เก็บไว้เป็นคลิปต่อไปคนที่มาดูทีหลังก็สามารถดูได้ติดตามได้ mm hmm. ดยวนนี้คนต่างประเทศเขาสนใจท ร, ร ม, มากมากกว่าพวกเราเนาะพวกเราสนใจต่างประเทศมากกว่าพวกเราสนใจไปเที่ยวเมืองนอกกัน ไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวยุโรปไปอะไรกันซื้อของเวอร์ซาเชซื้อเวอร์ซาเชอะไรซื้อชาโนงชาแนวกันอย่างนี้ฝรั่งกลับมาสนใจนั่งสมาธิกันเนีย่ยมีฝรั่งอยู่คนทำงานอยู่ที่เยอรมันทุกหกเดือนเขาจะได้พักหนึ่งเดือนแล้วก็บินตรงมาเลยจากสนามบินก็เชาแท็กซี่มามาบนเขาเลยไม่ไปว่าที่ไหนเลยแล้วก็มาอยู่ เนั่งสมาธิอยู่บนเขาเลยตอนเช้าก็ออกไปกับพระไปช่วยถ่ายบาตรพระบิณฑบาตกับพระกินอาหารจากพาระพอครบเดือนก็แท็กซี่กันมารับแไนสนามบินกลับไปทำงานต่อไม่แวะไหนเลยถามไม่ไปเที่ยววัดพ้ะแก้วไม่ไปไม่ไปทั้งนั้นจะมาปฏิบัติอย่างเดียวตอนนี้ก็บอกว่าก็เหลืออีกสองปีแล้วก็จะได้บํานาญมีมีบํานาญ แล้วเขาคิดว่าจะมาบวช น, นะะอันนี้เขยังไม่กล้ายหยุดเดี๋ยวกวดเดี๋ยวก็ถ้ามาบวชแล้วเกิดต้องศึกไปเดี๋ยวไม่มีบนานาญแต่ถ้ามาบวชแล้วเกิดต้องศึกไปก็ยังมีบำนาญอยู่ก็เลยเขาว่าต้องรออีกสองปีเขามานี่ได้สามครั้งแนละ้ว ม, มาได้ปีกว่าแนละ้วมาก็อยู่ครั้งละเดือนแล้วก็หมนต้องมาถามปัญหาเลยเลยก็ไถามเลย คารู้มันไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีคำถามแล้วมันมีพุดโรตัวเดียวนะมีหรือไม่มีเท่านั้นเองถามไปก็เหนื่อยไวเปล่ปาหาวิธีหยุดความคิดให้ได้ดีกว่ามีงไหมค่ะเอามาคำถามจากคุณพชรากธิ์นั่งแปดสมาธิไม่สวดมนต์ได้ไหมครับได้ได้ยิ่งดีใหญ่นั่งสมาธินี่ได้ประโยชน์ก่าการสวดมนต์สวดมนต์ก็จะระงับความฟุง้งซ่าน ได้สติแต่ไม่สงบเหมือนนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิจิตดมูมันก็จะสงบเต็มที่เลยส่วนมนุย์ยังไงก็ไม่มีวันรวมได้ <c oughs> แล้วสมัยพุทธกาลสวมมดมนต์บทไหนกันครับ อ, อ๋อสมัยพุทธกาลพระก็สวดเพื่อเพื่ออนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าไงพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าไปทรงแสดงธรรมไว้ถ้าไม่ท่องไว้เดี๋ยวลืมกันพระที่มาบวชกันเขาก็เลยแบ่งเป็น แบ่งเป็นสายๆกันสายนี้สวดประสวดนี้สายนี้สวดประสูวดนี้เพื่อที่จะได้รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เพราะสมัยก่อนไม่มีการเรียนหนังสือกันไม่มีการอ่านออกเขียนได้ใช้การท่องจํากันแล้ว ก, การสวดนี่มันก็เป็นอุบายให้ทําสมาธิไปในตัวให้เจริญสติไปในตัวเพราะเวลาสวดมันก็มันก็ต้องอยู่กับการสวด ต, ตอนการจํา มันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็คิดไม่ได้มันก็เลยทำให้พระมีสติมีสมาธิกันมันรู้กันเยอะแยะสมัยพระพุทธกาลมีพระอริยสงฆ์อริยเจ้ากันเยอะแยะเพราะว่าท่านปฏิบัติกันท่านไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นเหมือนพระสมัยนี้สมัยนี้ท่านมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดแต่สมัยก่อนท่านมีแค่ศีล ส, สมาธิปัญญาเร่องนั้นเองศีลก็ ร, รักษาศีลได้บ่อยสุด สมาธิท่านก็นเนี่ยจเจริญสติด้วยการท่องพระสูตรต่างๆแล้วก็มานั่งสมาธิหลับตาแล้วพระสูตรนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยเพราะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าพุทธเจ้าสอนว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์อริยสัจสี่ความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากความทุกข์จะหายไปเมื่อเราละความอยากและการจะละความอยากก็ต้องละด้วยปัญญา ที่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดความอยากไม่ใช่อยู่ที่การทำตามความอยากอันนี้ท่านก็เลยบรรลุ ก, กันง่ายบรรลุ ก, กันเยอะสมายก่อนเพราะท่านไม่มีอะไรเหมือนสมัยนี้สมัยนี้พระมีทุกอย่างเหมือนกับโยมเลยนะโยมมีมือถือพระก็มีมือถือโยมมีะายพระก็มีเหมือนกันโยมมีรถยนต์พระก็มีรถยนต์โยมขึ้นเครื่องพระก็ขึ้นเครื่อง เหมือนกันหมดเนะี่ยท่านก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาท่องสูตรว่ า, าพุทธโทมามาทำมาศีล ส, สมาธิปัญญากนันท่านมัวแต่ไปเผยแผ่ชอบไปเผยแผ่ทำชอบไปโปรดญาติโยมไม่ทําไปโปรดกิจนิมนต์ต่างๆนิมนต์ไปนู่นนิมนต์ไปฉันนิมนต์ไปสวดท่านมามาบวชเพื่อทําทกิจให้กับญาติโยมท่านไม่มาทํากิจของตัวเอง ก็เลยไม่มีใครบรรลุ ก, กันมีแต่พวกพระที่เขาไปทํากิจของเขาเองไม่รับกิจนิมนต์เนี่ยอย่างพระหลวงตานี่ท่านไม่ให้ไปรับกิจนิมนต์ให้ไปทํากิจของตัวเองให้ไปเจริญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญศีนสมาธิปัญญานี่เป็นงานของพระโดยตรงงานไปโปรดญาติโยมไปรับกิจนิมนต์นี่เป็นงานของญาติโยมไปทาให้ญาติโยม ญาติโยมได้บุญแต่พระไม่ได้บุญนะยัยนะพระไม่มีเวลาไม่ได้แล้วนอกจากได้ได้อาหารได้ของของขวัญที่ญาติโยมถวายให้กับพระท่านั้นเองพระก็เลยเนี่ยนี่มีของขวัญเต็มไปหมดนะแต่ไม่มีธรรมะเพราะไม่มีเวลาไปภาวนาไม่มีเวลาไปปฏิบัติกันหมดแต่ไปโปรดญาติโยมกันญาติโยมก็ชอบไม่ไปโปรดเหลือเกินวันเกิดก็นิมนต์ขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์แต่งงานก็นิมนต์นิมนต์ไปหมด พระเลยถ้าจะไม่มีเวลาไปวัดบางวัดนี่ไปเปน็นนีมนพระนี่เดูตารางเลยยาเป็นเดือนเลยจองไว้เป็นเดือนเลยนั mm ่น hmm. แหละนลยก็เลยไม่ได้ไปทํา ง, งานของตนถ้าเป็นนักศึกษาก็ไม่ไปเข้าห้องเรียนไปทํากิจกรรมนอกโรงเรียนนอกห้องเรียนกันด้วย mm hmm. ก็เลยเรียนไม่จบปริญญากันสักคน <laughs> ปริญญาของพระก็คือเนี่ยอมรสีพ้นสีนิพันเนีธ์ เป็นปริญญาของพระโสดาบันสกิตาคามีอนาคามีอรหารนีเป็นเป็นปริญญาของพระสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครจบกันเท่าไหร่เพราะไม่ทำไม่ทํากิจกรรมในห้องเรียนชอบไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนกันมันก็เลยได้แต่ได้แต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในไม่ได้กันเรื่องภายในใจไม่ได้ ได้แต่ไปสมคอาอญาติโยมไปปวดไปหมดเดี๋ยวนี้ไปอเมริกองอเมริกาไปยุโรปไปญาตโยมอยู่ที่ไหนก็ น, นิมนต์พระไปไอ้นิมนต์พระไปก็ไปเปิดร้านไปส ว, บวดบุตงานวันเกิดวันอะไรต่างๆก็เดี๋ยวนี้เป็นกิจกรรมของพระไปแล้วพระที่มาบวชทีหลังก็เลยรที่ว่านี่เป็นกิจกรรมของพระไปหรือไม่รู้ว่ากิจกรรมของตนของตนเองเป็นอย่างไรถ้ามาหาอะไรเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีการ ให้ปริญญาบัตรเมี่ยแต่ไปทํากิจกรรมกันตอนรับน้องใหม่กันไปเที่ยวกันไปไปเข้าแคมป์เข้าค่ายไปทําอะไรกันแต่ไม่เรียนหนังสือมันก็ไม่มีปริญญามันก็ไม่จบปริญญากันมีเท่าไหร่ไหมมครับอันนี้อินอินบ็อกซ์ครับเพิ่งเพ่งส่งเข้ามาเลยฮะกระผมภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนหรือเดินจงกรม ขยานกำหนดบริการพุโทโธตลอดแล้วมีบางเวลาเหมือนอยู่ในภวังขณะที่เดินและมีความรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนอยากทราบว่ากับผมทําถูกต้องหรือเปล่าครับถ้ามีสติรู้อยู่แล้วใจไม่คิดอะไรใจเบาใจสุขใจสบายก็ถูกข้อสองนะครับบางครั้งขณะดเดินและภาวนาพุโทโธมีความรู้สึกเย็นที่บริเวณหัวใจ และมองเห็นแสงสว่างเล็กขึ้นมาต่อหน้าขณะที่เดินอยู่เป็นอาการอะไรและผมทําถูกหรือเปล่าครับก็เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นผลหลักผลหลักที่เราต้องการก็คือความนิ่งของใจความสงบความสบายใจเบา อ, อกเบาใจคาถามข้อหน้านที่สามนะครับ ช่วงนี้ผมมีอาการเหม่อลอยขณะทำงานอยู่พยายามจะทำให้เสร็จแต่ใจเฉยเฉยไม่อยากทำควรจะแก้ไขยอย่างไรครับก็ต้องบังคับใจบังคับให้ทำให้เสร็จคำถามจากคุณสิริการละรูปรถรูปรถกลิ่นเสียงละได้ทีละอย่างหรือทำพร้อมกันคะก็แล้วแต่เราจะละเราอยากจะละอะไรก็ละสิอยากจะละกาแฟก็ละไป อยากจะละเพลงกละไปแล้วแต่เราอยากจะละอะไรก็ละไปมันต้องละให้หมดนะครับคำถามจากคุณลิซ่าการพริการพิจารณาอาการ32 <c oughs> จําเป็นต้องอยู่ในอิริยาบทของการนั่งสมาธิไหมคะ อ, อ, อ๋อยู่ได้ทุกอิริยาบทยกเว้นเวลาที่จิตสงบน่งเป็นสมาธิเท่านั้นที่ไม่สามารถที่จะทําได้แต่เวลาที่จิตมีความคิดปรุงแต่งนี้สามารถใช้เอามาพิจารณาอาการ32ได้ ไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอนนี่ก็พิจารณาได้ตลอดเวลาแต่เวลาจิตสงบหยุดคิดนี่ก็ไม่ควรที่จะดึงจิตที่สงบแล้วหยุดคิดนี่มามาคิดเพราะความสงบของจิตนี่มันดีอยู่แล้วไม่ต้องออกมาคิดให้เสียเวลาเอาเวลาตอนที่มันมาคิดถึงขนมน ม, นมเนยคิดถึงการไปเที่ยวเอาเอามาคิดเรื่องของอาการสามสิบสองจะได้ประโยชน์กว่าคําถามสกุลพัชระ มีพระพราฝรั่งรูปหนึ่งบวชมาเกือบสาสิบปีท่านบอกว่าคนไทยเป็นพุทธกันแต่ชื่อขอพระอาจารย์อธิบายด้วยค่ะก็มีพุทธในทะเบียนบ้านไงแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธมีอะไรบ้าง <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรกันบ้างรู้แค่ทาทานอย่างเดียวรู้แค่ทาบุญอย่างเดียวแต่นี่มันเป็นเที่ยวหนึ่งของคาสอนนอกจากทำบุญแล้วต้องรักษาศีล ศีลแล้วก็ต้องศีลแปศีลแปแล้วก็ต้องไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ต้องศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าต้องทำอะไรต้องตัดอะไรคำถามจากคุณน้องใหม่ญาติเลี้ยงสัตว์ขายพอมันออกลูกก็ขายลูกของสัตว์นั้นแต่ไม่กล้าห้ามเตือนเพราะเขาทำงานให้เราอยู่เกรงว่า เขาจะคิดว่าเราไปขัดขวางการมีธุรกิจเป็นของตัวเองของเขาขัดอนาคตเขาอยากทราบว่าเราจะบาปไหมคะถ้าไม่เตือนหรือควรจะเตืน <c oughs> อนคะไม่บาปหรอกเขาก็ไม่บาปถ้าเขาไม่ได้เอาสัตว์นั้นไปขายให้เขาค่าถ้าเข า, เาไปเลี้ยงไปทําอะไรก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ดีเพราะเป็นเหมือนกับค้าทาสอย่างเี้ถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วมีคนเข้าจับเราไปขายเราจะรู้สึกยังไง เราก็ไม่ควรจะทําอาชีพเหล่านี้ท่นานเพราะมันเป็นการเสริมความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําให้เขาเตายไปอะไรงนี้มันก็ไม่บาปแต่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทําคําถามจากคุณสุวรรณชวีพระที่ปลีกวิเวกไปพักผ่อนตามรีสอร์ทลินทะเรได้ไหมคะก็แล้วแต่ แล้วแต่ว่าท่านเป็นพระระดับไหนบ้างถ้าท่านเป็นแบบครูบาอาจารย์อายุมากแล้วท่านก็เหนื่อยจากภารกิจที่ต้องคอยอบรมสั่งสอนญาติโยมตลอดเวลาบางทีท่านก็มีเวลาไปพักผ่อนที่ไหนบ้างก็อันนี้ก็ก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นพระที่ยังยังไม่ได้อยู่ในระดับนั้นก็ไม่ควรถ้ายังเป็นพระที่ต้องปฏิบัติอยู่่าควรจะไปปีกเวกในป่าในเขา ไปฆ่ากิเลสแตถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่มีกิเลสให้ฆ่าแล้วในะทางขาร่างกายท่านเพียเพราะทางานมากญาติโยมมารบ ก, กวนมากก็เลยญาติโยมก็เลยพาไปดลบอยู่ที่รี ส, รสอร์ทไม่ให้คนไปรบ ก, กวนก็เป็นเป็นพักๆ ก, ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมันแล้วแต่ฐานะของพระท่านว่าท่านเป็นอยู่ในระดับไหนคําถามจากคุณพีระร้านสะดวกซื้อที่จําหน่ายสุรา ผู้หิบขายหรือเจ้าของร้านเป็นบาปหรือเปล่าครับอ๋อไม่บาปหรอกการขายสุรามันเป็นเพียงแต่อาชีพที่ไม่ควรจะทำเท่านั้นเองเรียกว่ามิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสามาชีพตอนนี้คําถามหมดนะคะคุณพัชรศิษิ์คอมเมนต์เข้ามาว่าขอบพระคุณมากครับจะไม่ถามแล้วครับจะไปปฏิบัติอย่างเดียวแล้วจะมีแต่พุทธโธตามที่พระอาจารย์บอกคือถ้ายังไม่รู้ก็ต้องถาม แต่ถ้ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็ควรจะหยุดถามได้นะ <c oughs> ถามไปจะมันตายก็ไม่ไม่ได้เจอหรอกไม่ได้ของจริงของจริงมันเกิดจากการไปปฏิบัติไปหยุดความคิดกันการถามก็เป็นการใช้ความคิดอยู่นั่นถามอยู่นั่นอนะ่ะยิ่งถามก็ยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งถามไปมันก็ไม่มีวันจบมันมืงูกินหางตัวเอง <c oughs> ต้องหยุดหยุดกินหางตัวเองหยุดถามแล้วมันก็หยุดหยุดคิดแล้วมันก็จะเจอเจอคําตอบเองอ๋ อ, อคําตอบอยู่ตรงนี้อยู่น้องที่หยุดคิดหยุดถามทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งแล้วก็สบายมีใครอยากจะถามไหมมีคําถามเข้ามาอ่าเข้ามา คำถามจกคุณคอฟฟี่คนที่เชื่อเรื่องฮวงจุย้ยถ้ามีการปรับเปลี่ยนตามฮวงจุ้ยที่ศินแสบอกแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็เรียว่าเป็นศีลละพัฒน์ปรมาสเนีไม่ได้มาแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงคือความอยากของเราอยากให้ชีวิตเจริญนุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างเดียวไม่ให้มีวิภาวะตัณหาไม่อยากให้มันเสื่อมอยากให้มันเจริญมันก็เลยทําให้เราทุกเวลามันไม่เจริญเวลามันเสื่อม เพราความจริงมันชีวิตมันต้องมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะไปทำฮวงจุย้ยจะไปทําอะไรไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนนามสกุลไปลอดใต้ทุนโบสไปบูชาพระลาหูหรือไปทําอะไรจิตปาถะร้อยแปดไม่สามารถที่จะทําให้ใจเราสบายได้นอกจากใช้ใช้ใช้ปัญญาหยุดความอยากเท่านั้นเองอย่าไปอยากยอมรับความจริงว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีตายเป็นธรรมดา ถ้ายอมรับวันนี้แล้วไม่ต้องไปทําอะไรใจจะสบายไม่เดือดร้อนอะไรจะเสื่อมก็รู้มันต้องเสื่อมเวลาจเจริญก็ไม่หลงไม่ดีใจเว่าเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมอยู่ดีมีเกิดก็ต้องมีดับอยู่ดีมันก็เลยไม่เดือดร้อนกับการดับการเสื่อมของสิ่งต่างๆมันก็ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆมนันมาหยุดความอยากตัวนี้ตัวเดียวความอยากไม่ให้มันเสื่อมใช่ไหมทุกคนอยากให้เจริญอย่างเดียวใช่ไหย ไม่มีขยะให้มันเสื่อมใช่ไหมแล้มันเสื่อมไหมก็เสื่อมกันทุกคนตายกันทุกคนใช่ไหมเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนตายไปก็จบใช่ไหมัมนก็หมดไปมันก็เสื่อมไปคำถามต่อไปจากอินอินบ็อกซ์นะครับจากคุณสาตรพลเรามีวิธีทรงสมาธิให้อยู่และทําให้จิตเจริญสูงขึ้นได้อย่างไรครับก็ต้องสร้างสติให้มีมากขึ้นให้สติเป็นสติแบบต่อเนื่องแบบไม่เพลอเลยเรียกว่ามาหาสติ ถ้ามีมหาสติแล้วจิตนี้จะเจริญขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้ถึงขั้นพรนิพพานได้คำถามสกุณกกอ น, ก อ, นอยากทราบว่าจิตที่รวมเป็นสมาธิขั้นฌานตั้งแต่หนึ่งถึงสี่จะสามารถพิจรารณาได้ไหมครับขั้นที่หนึ่งที่สองยังมีวิตกวิจารอยู่แต่ไม่ให้พิจารณาเพราะเวลาทำสมาธิต้องการหยุดการพิจารณาต้องการให้มันให้มันนิ่งเข้าสู่ฌานที่สี่ ถ้าไปพิจารณามันก็จะติดอยู่ที่หนึ่งที่สองอยู่ที่วิตตกวิจารนะเราที่วิตกก็คือพุโทโธนี่ก็เรียกวิตกวิจารเวลาเราบริกรรมพุโทโธนี่สแสดงว่าเรากําลังวิตตกเรากำลังตึกกําลังตรองวิตกแปลว่าตึกวิวิจารณ์แปลว่าตรองตึกตรองว่าตอนนี้เราพุโทโธอยู่ปเปล่าก็เรียกวุโทโธถ้าเราพุโทโธพุธโทโธไปนี่สแสดงว่าเรากําลังตึกตรองอยู่แล้วพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบ ตึกตองก็จะหายไปอุเบกขาก็จะโผล่ขึ้นมาจิตก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขการทําสมาธินี้ไม่ใช่เป็นการไม่เป็นไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะพิจารณาอะไรทั้งนั้นพิจารณาแต่อารมณ์ที่เราใช้เป็นตัวประกอบให้เราสงบเท่านั้นพิจารณาพุทโธหรือพิจารณาลมหายใจเท่านั้นแต่ไม่ให้พิจารณาแบบปรุงแต่งให้พิจารณาแบบตึกตองให้รู้เฉยเฉยให้จักแต่ว่าตอนนี้เราพุทโธอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่พุโทโธก็กลับมาพุโทโธต่อถ้าไม่ดูลมก็กลับมาดูลมต่ออันนี้เรียกว่าตึกต้องถ้าดูลมไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆย่างได้อย่างหนึ่งยังไม่ต้องทั้งสองอย่างเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แล้วมันก็จะเข้าสู่ฌานสี่เข้าสู่เบขาพอหยู่ฌานสี่ทุกอย่างก็เงียบไปหมดตึกต้องก็หายไปหมดพุโทโธก็หายลมก็หายเรือสักแต่ว่ารู้ไปก็ปล่อยมันรู้ไปอย่างั้นจนกว่ามันจะถอนออกมา พอมันทอนเรามาเป็นจิตปกติมันเริ่มคิดถึงขนมนมเ น, มนยกาแฟอะไรก็ที่นี่มาพิจารณาได้นะ ว, ว่าการทําตามความอยากนี่เป็นทุกข์นะอยากกาแฟก็อยากก็เป็นทุกข์นะอยากก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าไม่อยากถ้าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความอยากอันนี้ก็อย่าไปอย่าไปดื่มมันอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มมันฝืนมันอ่อฝืนมันไปต่อไปมันก็ไม่มันก็ไม่ดื่มเ คำถามจากคุณพัชรีเวลารู้สึกใจิตใจหดหูหรือเป็นทุกข์แต่ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดจะหาทางดับทุกข์อย่างไรคะคือใจเราไม่สงบใจเราลึกๆมันคิดอะไรอยู่มันอยากอะไรอยู่ที่สติบัญญาของเราตามไม่ทันเข้าไปไม่ถึงวิธีเดียวก็คือพุโทโธไปหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้แล้วอารมณ์ที่ไม่สบายก็จะหายไป คำถามจะคุณหย่งเซียนจะตัดกิเลสความอยากอย่างไรเพราะในสังคมเราก็ต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตให้ชีวิตมั่นคงก็นั่นแหละก็ต้องออกจากสังคมเหรือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ออกจากวังไปจะตัดก็ต้องตัดแบบนั้นนะะให้ตัดแบบไหนคำถามจะคุณอภิสิทธิ์ถ้าเราจะเริญปัญญาก่อนทําสมาธิ เมื่อจิตเหนื่อยกับการพิจารณาแล้วเราบริกรรมภาวนาต่อด้วยฟุตโธได้ไหมครับก็ลองทําดูสิทำได้ก็ทําไปเป้าหมายก็คือให้จิตสงบไม่ให้คิดอะไรคําถามจักคุณตกักกี้ถ้ามีทั้งบุญทั้งบาปเวลาตายไปไหนครับก็แล้วแต่อันไ้นมันมีกําลังมากกว่าเนี่ยมันเหมือนมีวัวสองตัววัวหนึ่งมันดึงไปข้างหน้าวัวหนึ่งมันดึงไปข้างหลังเนี่ย มีเกวียนแล้วเรามีวัวสองตัวอยู่ข้างหน้าตัวอยู่ข้างหลังตัวตัวข้างหน้ามีกำลังมากกว่ามันก็ไปข้างหน้าตัวข้างหลังมีกำลังมากกว่ามันก็ไปข้างหลังเหมที่เขาชักกระเยอะกันเนี่ยใช่ไหมฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ดึงไปฝ่ายไหนมีกำลังน้อยกว่าฝ่ายนั้นก็ต้องถูกเาดึงไปถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบุญบาปก็ดึงไปอาบยก่อนถ้าบุญมีกาลังมากกว่าบุญก็ดึงไปสวรรค์ก่อน แล้วพอบุญกับบาปมันมีกําลังเท่ากันไปอบายก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้มันก็มาเป็นมนุษย์มนุษย์ได้อยู่ตรงกลางอยู่อยู่ในช่วงที่บุญกับบาปมันมีกําลังเท่ากันแต่ถ้าเวลาไหนบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปอบายเวลาไหนบุญมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปสวรรค์คําถามจากคุณสุนิธา นั่งสมาธิยังไงจิตก็ไม่นิ่งทําอย่างไรดีคะเพราะไม่มีสติไงต้องฝึกสติ ก, ก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้จิตคิดถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่เวลานั่งมันก็จะคิดต่อแต่ถ้าเราให้มันอยู่พุโทโธตั้งแต่ก่อนเรามานั่งพอเรานั่งมันก็จะอยู่กับพุโทโธไปมันก็จะไม่คิดอะไรพอมันนั่งนิ่งๆมีพุโทโธเดี๋ยวมันก็สงบ คำถามจากคุณพนมสังขารกับความคิดคืออันเดียวกันไหมครับคือสังขารนี่มันมีความความหมายหลายอนะันสังขารที่อยู่ในขันนามาขันนี่ก็เรียกว่าความคิดปรุงแต่งแล้วสังขารที่หมายความว่าสิ่งที่ผสมรวมกันจากธาตุสีด้วยธาตุสีก็เป็นสังขารเช่นร่างกายเรานี้ก็มีธาตุสีมาผสมกันก็เป็นสังขารอย่างหนึง่งต้นไม้นี่ก็เป็นสังขารอย่างหนึง่ง พอเป็นสิ่งที่มีดินน้ำลมไฟมาผสมกันให้มันเป็นอยสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือสังขารที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจอันนี้ก็ความคิดปรุงแต่งของใจก็เรียกว่าสังขารแต่เป็นคนละอย่างกั น, นหมดแล้วนะหมดแล้วก็พอละช่างจหน่อยละก็มีใครอยากจะถามอะไรไหมหมอโอเค